ทำกรรมาฐานอะไรก็ได้แล้วก็หัดดูสภาวะของจิตใจไปวงเล็บเปิด14มกราคม2550ในวงเล็บ 2. จุดจุดนาที37วงเล็บปิดจิตที่เป็นกุศลต้องรู้ตื่นเบิกบานสงบสะอาดสว่างอ่อนโยนนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวเบาสบายถ้าสติเกิดแล้วจิตเราจะเป็นกุศลจิตจะเบา จ, จ, จิตจะสบายจิตจะรู้ตื่นเบิกบาน แค่สติมันเกิดขึ้นเองจิต ท, ที่เป็นกุศลมันจะเกิดขึ้นเองเลยอย่างเราใจลอยอยู่พอรู้ว่าใจลอยสติระลึกได้ว่าใจลอยปั๊บนะจิตใจเบิกบานขึ้นมาเลยนะมีความสุขโชยแผ่ๆขึ้นมามีความสุขบางทีก็เป็นอุเบกขารู้ตัวแต่ว่านุ่มนวลต้องสบายสบายใจตื่นใจตื่นขึ้นมาพอใจเราตื่นเราหลุดออกจากโลกของความคิดได้เราจะอยู่ในโลกของความจริงเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริง คือกายมันเป็นวัตถุธาตุเท่านั้นเองจิตใจก็เป็นนามธรรมเป็นนามธาตุเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปบังคับไม่ได้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์บังคับไม่ได้จะเห็นความจริงไปเรื่อยๆเดี๋ยววันหนึ่งก็แจ่มแจ้งแล้วก็ปล่อยวางได้อันแรกหัดดูสภาวะไหว้พระสวดมนต์ทํากรรมฐานอะไรก็ได้เป็นจุดตั้งต้นเสียก่อนแล้วก็หัดดูสภาวะของจิตใจไป ใจิตใจในขณะที่ทำกรรมฐานนี่ก็เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอย่าไปบังคับให้มันนิ่งก็แล้วกันแต่เกือบทั้งหมดชอบทำกรรมฐานแล้วบังคับให้จิตนิ่งไม่เห็นอะไรหรอกก็เห็นแต่ความนิ่งติดแต่ความสุขความสบายไปแต่ถ้าทำกรรมฐานขึ้นมาอันหนึ่งแล้วก็ปล่อยให้มันเคลื่อนไหวไปตามรู้ตามดูไปเรื่อยๆมันจะรู้จักเลยออเผลอเป็นอย่างนี้เพ่งเป็นอย่างนี้สุขเป็นอย่างนี้ทุกข์เป็นอย่างนี้โลภโกรธหลงเป็นอย่างนี้ พอจิตมันจำได้แม่นแล้วสติจะเกิดเองใจจะเป็นบุญเป็นกุศลขึ้นมานะจิตใจที่เป็นบุญเป็นกุศลจะมีความสุขจิตใจที่มีความสุขจะเกิดสมาธิขึ้นมาจิตใจจะตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกั บ, กบตัวไม่หลงไปไหนหรอกรู้สึกตัวอยู่ตั้งมั่นอยู่สมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาคือพอใจตั้งมั่นขึ้นมาเลยเห็นกายนี้ไม่ใช่เราเป็นวัตถุเห็นจิตนี้มันไม่เที่ยงมันไม่ใช่เราบังคับมันไม่ได้ เห็นตามความเป็นจริงเรียกว่ามีปัญญาพอมีปัญญาแจมแจ้งในกายในใจแล้ววิมุตติก็จะเกิดขึ้นคือจะปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจได้เสร็จแล้วก็จะเกิดวิมุตติญาณทัศนะรู้แจ้งเกิดความรู้ความเข้าใจในความหลุดพ้นจะเห็นนิพพานเต็มบริบูรณ์อยู่ต่อหน้าต่อตาเลยมีแต่ความสุขล้นล้นเลยคราวนี้นะความทุกข์มันเข้ามาไม่ถึงจิตใจอีกต่อไปความทุกข์มันอยู่ที่ขันเท่านั้นเองอยู่ที่ขัน พอพ้น อ, ออกจากขันก็ไม่ทุกข์